บริหารนี้ว่าด้วยการอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม265สกพระอรหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีทั้งสูงและตำ่ำมุนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝั่งถึงสองครั้งหามิได้ ฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หาไม่ได้มีอยู่จริงม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอราัตผลได้สกพระอรหันต์เสื่อมจากอราัตผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกกิเลสวรัตรที่พระอรหันตัดได้แล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกิเลสวทัที่พระอรหันต์ตัดได้แล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าท่านเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นไม่มีกิจที่ต้องทํากิเลสวทัท่านตัดแล้วไม่มีที่จะต้องตัดอีกห่วงน้ําและบ่วงท่านถอนได้แล้ว มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากิเลสวัสดิที่พระอรหันตัดแล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกสองหสกพระอรหันเสื่อมจากอราัตผลได้ใช่ไหมปอรอใช่สกจิตที่ทำแล้วต้องสังสมอีกใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกิจที่ทําแล้วต้องสังสมอีกใช่ไหมปอรอใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีจิตสงบระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสังสมกิจที่ทําแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทําอีกผู้เขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโรพธะและธรรมารมณ์ทั้งมวล ทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิธารมย่อมทาจิตของผู้คงที่ให้วันไวไม่ได้ฉันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่วันไวไม่เกาะเขี่ยด้วยอารมณ์อะไรเพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือบรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจิตที่ทาแล้วต้องสั่งสมอีกมีอยู่ สองรอปรท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอราัผลได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตทำห้าประการคือหนึ่งความเป็นผู้ชอบการงานสองความเป็นผู้ชอบการพูดคุย ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับสความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมูหไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วพิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแข่พิกษุผู้เป็นสมยวิมุตมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นพระอรหันจึงเสื่อมจากอราตผลได้สอกอ ความเป็นผู้ชอบการงานของพระอรหันต์มีอยู่ใ <cel> ช <i> ่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเป็นผู้ชอบการงานของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสัมโยชกรรมโมคะกามโยคะการมฉันทานิวอนของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเป็นผ ok. so, ู้ชอบการพูดคุยความเป็นผู้ชอบการนอนหลับความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สกราคะกามราคะ กามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกามโมคะกามโยคะกามฉันทานิวอนของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อกสอกพระอรหันต์เสื่อมจากอาราตผลได้ใช่ไหมปอรรใช่สอกรพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอาราตผลถูกอะไรกลุ่มรุมจึงเสื่อมปอรร ถูกราคากลุ่มรุมจึงเสื่อมสอกความกลุ่มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรปรเกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุสัยสอก อ, อนุสัยของพระอาหารหันมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อนุสัยของพระอาหารหันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการมราคานุสัยปฏิคานุสัย มานานุสัสทิฏฐานุสัสวิจิกิจฉานุสัสภวะราคานุสัสและอวิชานุสัสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอราถผลถูกอะไรกลุ่มรุมจึงเสื่อมปรถูกโทสะกลุ่มรุ ม, รมจึงเสื่อมถูกโมหะกลุ่มรุมจึงเสื่อมสกความกลุ่มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไร ปรเกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุสัยสกอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกามราคานุสัยอวิชานุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอรหันต์เสื่อมจากอราตผลได้ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อพระอรหันต์เสื่อมจากอราัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรราคะก่อตัวขึ้นสกจากกายทิฏฐิก่อตัวขึ้นวิจิกิจฉา ก, ก่อตัวขึ้นศีลฐะปตะปรามากก่อตัวขึ้ น, าานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เมื่อพระอรหันตเสื่อมจากอราัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรโทสะก่อตัวขึ้นสกเมื่อพระอรหันตเสื่อมจากอราัผลอะไรก่อตัวขึ้นปอรโมหก่อตัวขึ้นสกจักกายทิฏฐิก่อตัวขึ้นวิจิกิจชาก่อตัวขึ้นสิลปตะปรามาก่อตัวขึ้นใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอรหันตเสื่อมจากอรารัธผลได้ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันยังสะสมจุติและปฏิสนธิอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันไม่สะสมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันยังละอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอ hey. รหันยังยึดมั่นอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอพระอรหันยังกำจัดอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอพระอรหันยังก่ออยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอพระอรหันยังทำลายอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอพระอรหันยังปรับปรุงอยู่ใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรพระอระหันยังสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ไม่สะสมอยู่ก็ไม่ใช่เป็นผู้มีสะสมแล้วจึงดำรงอยู่ไม่ใช่หรือปรอร์ใช่สกหากพระอระหันยังสะสมอยู่ก็ไม่ใช่ไม่สะสมอยู่ก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่สะสมแล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอระหันเสริมจากอารหัตผลได้สก พระอรหันยังละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ละได้แล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปอร mama, ์ใช่สกหาพระอรหันยังละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ละได้แล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็มิควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้สกพระอรหันยังกำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่ เป็นผู้กำจัดแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากพระอรหันยังกำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่เป็นผู้กำจัดจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอาราธผลได้สกพระอรหันยังทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ทำลายแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือปรใช่ สกหากพระอาหารหันยังทำลายอยู่ก็ไม่ใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่เป็นผู้ทำลายแล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอาหารหันเสื่อมจากอารหัตผลได้ปริหานิกถาจบ พรหมจริยกถาว่าด้วยพรหมจันทร์หนึ่งสุทธะพรหมจริยกถาว่าด้วยพรหมจันทร์ล้วนๆสองสกในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจันทร์ใช่ไหมปอรอใช่สกเทวดาทั้งหลายเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เดียงสาใช้ภาษาใบ ไม่สามารถจะรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าไม่ทูลถามปัญหากับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหาก็ไม่ชื่นชมเป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาจ ไม่ควรที่จะก้าวลงสูงนิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตท่อทำลายสงให้แตกกันเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเ ท, ท็จผู้ส่อเสียดผู้คำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตคิดพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหม อ, อรอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ไม่โง่เขลามีปัญญารู้เดียงสาไม่ใช้ภาษาใบสามารถรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทูลถามปัญหากับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหาก็เป็นผู้ชื่นชม เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเครื่องกั้นคือกิเลสเครื่องกั้นคือวิบากเป็นผู้มีจัตตามีฉันทะมีปัญญาควรที่จะก้าลวลงสู่นิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ไม่ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตท่อไม่ทําลายสง์ให้แตกกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้มากไปด้วยอภิชาไม่มีจิตคิดพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่มิใช่หรือปอรอใช่สอกอหากเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ไม่โง่เขามีปัญญารู้เดียงสาไม่ใช้ภาษาใบสามารถรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้และถึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่พระพฤทโภมจันทร์สองรยเจ็ดสิบปรในหมู่เทวดามีการอยู่พระพฤทโภมาจันทร์ใช่ไหมสอกอใช่ปรในหมู่เทวดานั้นมีการบรรพชาการปรงผมการคลองผ้ากาสาวพัดการทรงบาด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติได้พระปัจเจกกับสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติได้คู่พระอครสาวกก็อุบัติได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปอรอใช่สกในที่ที่มีการบรญรชาเท่านั้น จึงมีการอยู่ประเพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการบรรพชาไม่มีการอยู่ประเพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในที่ที่มีการบรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประเพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการบรรพชาไม่มีการอยู่ประเพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกผู้ที่บรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประเพฤติพรหมจรรย์ ผูที่ไม่ได้บรรพชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในหมู่เทวดาไม่มีการปลงผมเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกในที่ที่มีการปลงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการปลงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในที่ที่มีการปรุงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการปรุงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกเฉพาะผู้ที่ปรุงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ปรุงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม pepper. ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกในหมู่เทวดาไม่มีการคลองผ้ากาสาวพัดเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรอใช่สกในที่ที่มีการคลองผ้ากาสวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการคลองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในที่ที่มีการคลองผ้ากาสวพัทเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤตพรมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการคลองผ้ากาสวพัทไม่มีการอยู่ประพฤตพรมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกผู้ที่คลองผ้ากาสวพัทเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤตพรมจรรย์ผู้ที่มีคลองผ้ากาสวพัทไม่มีการอยู่ประพฤตพรมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในหมู่เทวดาไม่มีการทรงบาตรเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกในที่ที่มีการทรงบาตรเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการทรงบาตรไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในที่ที่มีการทรงบาตรเท่านั้น จึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการทรงบาตรไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกผู้ที่ทรงบาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ทรงบาตรไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท right. ั burnout, naden, ้งหลายไม่ทรงอุบัติในหมู่เทวดาเพราะเหตุนั้น ในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกในที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบาทเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงอุบาทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบาทเท่านั้น จึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงอุบัติไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่ ส, สกพระผู้มีประภาคประสูติที่สวนลุมพินีตระศรู้ที่ควงไมโ้โพทรงประกาศ ธ, ธ ร, รรมจากที่กรุงพาราณสีในที่นั้นเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤตพรหมจรรย์ในที่อื่นไม่มีการอยู่ประพฤตพรหมจรรย์ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระปัจเจรกระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติในหมู่เทวดาเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกในที่ที่พระปัิเจรกระสำพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระปัจเจรกระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในที่ที่พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติในมชิมชนบทในมัชิมชนบทนั้นเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในที่อื่นไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคู่พระอครสาวกไม่อุบัติในหมู่เทวดาเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกใน ท, ที่ที่คู่พระอครสาวกอุบัตเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใน ท, ที่ที่คู่พระอครสาวกไม่อุบัต ไม่มีการอยู่ประพุทธโภมจันทร์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในที่ที่คู่พระอัครสาวกอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพุทพรภมจันทร์ในที่ที่คู่พระอัครสาวกไม่อุบัติไม่มีการอยู่ประพุทพรภมจันทร์ใช่ไหมปรใช่สกในมคตรัชซึ่งเป็นที่อุบัติของคู่พระอัครสาวกเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพุทพรภมจันทร์ ในที่อื่นไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองเจ็สิบเอ็ดปอรอในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกใช่ปอรอในหมู่เทวดาทั้งปวงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ปรใช่สกในหมู่มนุษย์ทั้งปวงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกใช่ปรในหมู่อสัญญาสัตตพรมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปอรอใช่สกในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและพวกมีลักคะผู้ไม่รู้เดียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสก ที่มีก็มีที่ไม่มีก็มีปรในหมู่อสัญญาสัตยพรมที่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีและในหมู่สัญญาสัตย์พรมที่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรในหมู่เทวดาที่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีใช่ไหมสกใช่ปรที่ไหนมีที่ไหนไม่มีสกในหมู่อสัญญาสัตตพรมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ในหมู่สัญญาสัตตพรมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปรในหมู่อสัญญาสัตตพรมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกใช่ปร ในหมู่สัญญาสัตยพรมไม่มีการอยู่ประพุทธโภมาจารย์ใช <B> ่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรในหมู่สัญญาสัตต์พรมมีการอยู่ประพุทธโภมาจารย์ใช่ไหมสกใช่ปรในหมู่อสัญญาสัตต์พรมมีการอยู่ประพุทธโภมาจารย์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพุทธโภมาจารย์ใช่ไหม ปอรอที่มีก็มีที่ไม่มีก็มีสกในชาวปัจจันตะชนบทที่พวกพิกษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาไปไม่ถึงและในพวกมีลัขะผู้มีรู้เดียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีในชาวมัชฌิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมปอรอใช่สกที่ไหนมีที่ไหนไม่มีปอรอในชาวปัจจันตชนบทที่พวกพิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาไปไม่ถึงและในพวกมีลักขะผู้มีรู้เดียงสาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชาวมัชฌิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ สกในชาวปัจจันตชนบทที่ผู้พิพสูตพิษุณีอุบาสกอุบาสิก า, ป า, าไปไม่ถึงและในพวกมีลขะผู้มีรู้เดียงสาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรอใช่สกในชาวมัชชิมชนบทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในชาวมัชชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ปอรอใช่สกในชาวปัจเจนตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมีลักขะผู้มิรู้เดียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นเดวเดึงด้วยฐานะสามประการคือหนึ่งเป็นผู้กล้ากล้าสองเป็นผู้มีสติสเป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประเพฤติพรหมจรรย์ สกพระผู้มีพระภาคตรัสที่กรุงสาวัตถีว่าณนะที่นี้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรใช่สกการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ในกรุงสาวัตถีเท่านั้นในที่อื่นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อเจ็ดสิบสองสกอนามัมีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่มห้าประการได้แล้ว แต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุดทาวาสนั้นอรหันตผลเกิดขึ้นได้ณนทะี่ไหนปร aud, ในชั้นสุททาวาสนั้นนั่นเองสอกหากน า, าคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการไม่ได้เมื่อ uh จุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุดทาวาสนั้น หากหัตผลเกิดขึ้นได้ในที่นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สอก อ, อนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุดทาวาสนั้นการปลงภาระการกําหนดรู้ทุกการละกิเลสการทําให้แจ้งนิโรธ การแทงตลอดอากุปรธรรมมีณที่ไหนปรในชั้นสุทธาวาดนั่ น, น, นเองสองกหากนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทธาวาดนั้นการแทงตลอดอากุปรธรรมมีในที่นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤตโพรหมจรรย์สอก อ, อนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุดทาวาสนั้นการเกิดขึ้นแห่งอาราหัตผลการปรงภาระการกำหนดรู้ทุกข์การละกิเลสการทาให้แจ้งนิโรธการแทงตลอดอกุปธรรมก็มีในที่นั้น เพราะเหตุไรท่านจึงยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปอรอเพราะว่าอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลได้ในชั้นสุทธาวาสนั้นด้วยมักที่ตนได้เจริญแล้วในโลกนี้สุทธะพรหมจริยะกะถาจบ สันธนะพรหมจริยกถาว่าด้วยการเทียบเทียงพระอริยบุคคลในเรื่องพรหมจันร์สองรยเจ็ดสสามสกอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปอรอใช่สกโสดาบันบุคคลทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในพรหมโลกนั้นใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั <S 2> <S 2: ้นสกออนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุดท่าวาดนั้นด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปอร์ใช่สกอสกัตถาคามีบุคคลผู้ที่จะปรินิพพานในโลกนี้ทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุท่าวาดนั้นใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอ โซดาบันบุคคลทำให้แจ้งผลในโลกนี้ได้ด้วยมักที่ตนได้เจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปอรอใช่สอกอาณาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุทาวาสนั้นด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสักขทาคามีบุคคลผู้ที่จะปรินิพพานในโลกนี้ ทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปอรอใช่สอกอนนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุดทาวาสนั้นด้วยมรรคที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุดทาวาสนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคแต่ไม่ใช่ละคิเลใช่ไหมปอรอใช่ สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเจริญมักแต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมักแต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเพื่อทำให้แจ้งอาราหันตผลเจริญมัก แต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสําเร็จเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเจริญมรรคและละกิเลตได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคและละกิเลตได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อนาคามีบุคคลทากิดที่ควรทำแล้ว เจ en, <ông> รจิญภาวนาแล้วจึงเกิดในชั้นสุดทาวาสนั้นใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันยังเกิดอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันยังเกิดอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันมีการเกิดอีกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันมีการเกิดอีกใช่ไหม ปอร์อใช่สกพระอรหันต์ออกจากภพไปสู่ภพจากคติไปสู่คติจากสงสารไปสู่สงสารจากการเกิดไปสู่การเกิดใช่ไหมปอรอ์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, อนาคามีบุคคลทำกิดที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วยังไม่ปรงพาระเกิดในชั้นสุทธาวาดนั้นใช่ไหมปอร์อใช่สก ท่านยังเจริญมรรคอีกเพื่อปรุงภาระใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อนาคามีบุคคลทำผิดที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่กำหนดรู้ทุกยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ทำให้แจ้งนิโรธยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมไปเกิดในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปรใช่สก ท่านยังเจริญมรรคอีกเพื่อแทงตลอดอกุปธรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอาณาคามีบุคคลทำผิดที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่ปรองภาระไปเกิดในชั้นสุท่าวาสนั้นและจะไม่เจริญมรรคอีกเพื่อปรองภาระใช่ไหมปรใช่สอก อ, อันหนึ่งท่านยังไม่ปรองภาระ ปริญญาภานในชั้นสุท่าวาดนั้นใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อนณาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่กำหนดรู้ทุกยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ทำให้แจ้งนิโรอดยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมไปเกิดในชั้นสุท่าวาดนั้นและไม่เจริญมรรคอีกเพื่อแทงตลอดอกุปธรรมใช่ไหมป ร, รใช่ สอก อ, อนหนึ่งท่านยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอเนื้อที่ถูกยิงด้วยลูกศรแม้จะไปได้ไกลก็ย่อมตายฉันใดอนนาคามีบุคคลทําให้แจ้งผลในชั้นสุทาวาสนั้นด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสกเนื้อที่ถูกญิงด้วยลูกศร แม้จะไปได้ไกลก็ตายทั้งที่มีลูกสอนติดอยู่นั่นเองฉันใดอนาคามีบุคคลปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นทั้งที่ยังมีลูกสอนมักติดอยู่นั่นเองด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ชั้นนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพรมจจริยกถาจบ ที่โสกถาว่าด้วยการละกิเลสได้เป็นส่วนส่วน274สกบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพ ล, ละอะอไไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรและสักกายทิฐิวิจิกิจฉาสีลปตะปรามาต และกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสามนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบันส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันผู้สัตตัคขตตุปรมะโกลังโกละ เอฟพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวนไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสมบุประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสวดาปฏิพัธและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทยัยปอรรและสักกยทิธิวิจิกิจฉา ศีลพัาปรามากและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสามนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบันส่วนหนึ่งประกอบด้กุศลที่พระอริยะชอบใจอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้กุศลที่พระอริยะชอบใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลดและอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธปอรรและวิจิกิจชาเศรษฐะประาปรมาตและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสองนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบันส่วนหนึ่งประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ อีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีนที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นมักปรและศีลปะตะปรามาศและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับศีลปตะปรามาศนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบัน อีส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบันส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทาให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระโสดาบันผู้สัตตคัตุป a มะโกลังโกละเอกภีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่มีวันไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจ อีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อยเจ็ดสบห้าสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งส ก, กทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกปรละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสองนั้นได้บางส่วนสก บุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระสกะทาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกะทาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำไม่แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาไม่แจ้งสกทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทยัย อ, อรรและกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระสกทาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกทาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธปอรอละพยาบาทอย่างหยาบและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับพยาบาทนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระสกะทาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกะทาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุ ทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นมกักปอร์ละพยาบาทอย่างหยาบและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับพยาบาทนั้นได้สอกอ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 และอะไรได้ด้วยการเห็นทุก์ปรและกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้บางส่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่ อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผูส้สังขาระปรินิพพายีผู้อุทังโสโตอกติทักามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอกติทักาามีใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัยปรและการมราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้บางส่วนสอกอบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอกนิทะคามี อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากนิถะคามีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นนิโรธปอรอและพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับพยาบาทนั้นได้บางส่วนสอกอบุคคลคนเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสตอกนิถาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสตอกนิถาคามีใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นมัชปอรร ละกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสนั้นได้สกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลเ้ืยอกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยองกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีผู้อุปหจจะปรินิพพายี ผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้ ส, สังขาระปรินิพพายีผู้อุทังโสโตอคนิทัคามีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตะผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปอรแอละรูปราารปราคารูปปราคะมานะอุทัจจะอวิชชา และกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งห้านั้นได้บางสง่วนสกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอระหันต์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอระหันต์ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำกิที่ควรทำเสร็จแล้ว ปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ่มสลักกลบขู่ถอนเจ้าระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดทงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมากแล้ว รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้และทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำไม่แจ้งแล้วส่วนหนึ่งทำไม่แจ้งทำที่ควรทำไม่แจ้งแล้วอีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งทำที่ควรทำไม่แจ้งแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอาราธตผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัย ปร์และรูปาราคะอรูปราค ะ, าคะมานะอุทัจจะอวิชาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งห้านั้นได้บางส่วนสอนกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์ส่วนหนึ่งทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งอีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 อีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลและอะไรได้ด้วยการเห็นมกักปรและอุทจจะอวิชชาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้สกบุคคลคนเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหรันต์ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถึงได้บรรลุทาไม่แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ่มฉลักกลบขู่ ถอนเสารเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดทงคือมานะวางภาระคือขันหมวดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วกําหนดรู้ทุกขและสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมักรู้ยิ่งทําที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้และทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้ว อีกโซนหนึ่งไม่ทําให้แจ้งทําที่ควรทําให้แจ้งแล้วใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองเจ็สิบแปปอรรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลละขีเละได้เป็นส่วนๆใช่ไหมสองกอใช่ปอรรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงกําจัดมวลถินของตนทีละน้อยทีละน้อ ย, นอยในทุกขณะโดยลําดับ เหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนสอกอบุคคลละกิเลสได้เป็นส่ว น, ส, วนส่วนใช่ไหมปรใช่สอกอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระโสดาบันละธรรมสามประการคือสักฤตยทิฐิวิจิกิจฉา ศีลปะตะปรามาได้อย่างสิ้นเชิงพร้อมกับการพนุโสดาปฏิมักพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทั้งสีู่มิและจะไม่ทำอภิฐานหกมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนสอกอบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนใช่ไหมปอรอใช่สอกอ พระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยที่ธรรมจักสุที่ปราศจากทุลีปราศจากมูลทินเกิดขึ้นแก่อริยสาวกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปัตติมักอริยสาวกย่อมละสังโยชน์สามประการคือสักกายติทิวิทิกิจฉาสีลปะตะปรามา มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลละกิเลสได้เป็นส่วนส่วนโอทิโสกถาจบ